อนิสง์พระวินัยพระวินัยนั้นภิกษุรักษาดีโดยถูกทางแล้วยอมได้อานิสงฆ์คือความไม่ต้องเดือดร้อนใจซึ่งเรียกว่าวิปฏิสารภิกษุผู้พระพติย่ อ, อย่อนทางพระวินัยยอมได้วิปฏิสารเพราะรำอนาจารผิดกฎหมายบ้านเมืองถูกจับกุมและถูกลงโทษบ้าง ถูกดูหมิ่นบ้างไม่มีคนนับถือจะเข้ามู่ภิกษุผู้มีศีลก็วันหวาดกลัวจะถูกโจททวงแม้ไม่มีใครว่าอะไรก็ตะคิดตะขวงใจไปเองที่สุดนึกขึ้นมาถึงตนก็ติเตียนตนเองได้ไม่ได้ปีติปราโมชฝ่ายภิกษุผู้นิยมในพระวินัยแต่ขาดความเข้าใจเขาเงื่อน พอใจจะถือให้ได้ตรงตามตำรับให้เหมือนครั้งพุทธการแต่ตนเกิดในการอื่นในประเทศอื่นย่อมได้พบความขัดข้องประพฤติไม่สะดวกใจเป็นธรรมดาและความประพฤตินั้นมักมัวไปหนักอยู่ในข้อที่เป็นธรรมเนียมที่ภิกษุเคยถือกันมาแต่ไม่เป็นสำคัญจริงๆนี้เรียกว่าประพฤติพระวินัยไม่ได้อนิสงดังมุ่งหมาย กลับได้ความลำบากเสีย อ, อีกและผู้ประพฤติพระวินยัยโดยไม่มีสติเช่นนั้นมักมีมานะถือตัวว่าตนประพฤติเคร่งรัดดีกว่าผู้อื่นและดูหมิ่นภิกษุอื่นว่าเลวซามนี้เป็นกิริยาที่น่าเกลียดน่าติอยู่แล้วรันจะต้องอยู่ร่วมและสมาคมกับภิกษุอื่นที่ตนเห็นว่าประพฤติบกพร่องในพระวินยัยย่อมรังเกียจ และจรรมกลับได้ความเดือดร้อนซ้ำอีกฝ่ายภิกษุผู้ประพฤติถูกทางยอมได้ความแช่มชื่นเพราะรู้สึกว่าตนประพฤติดีงามไม่ต้องถูกจับกุมและลงโทษหรือถูกติเตียนมีแต่จะได้ความสันเสริญจะเข้ามู่ภิกษุผู้มีศีลก็องอาจไม่ต้องสะทกสะทาน อันจะปฏิบัติพระวินัยให้สำเร็จประโยชน์ควรพิจารณาให้เข้าใจผลที่มุ่งหมายแห่งพระวินัยนั้นพระพุทธบัญญัติบางข้อและอภิสมาจารย์บางหมวดพระศาสดาทรงตั้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นคนเหี้ยมโหดจนถึงต้องโทษเป็นอาชญาแผ่นดินอย่างอุกฤษก็มีเช่นห้ามทำโจรกรรมและฆ่ามนุษย์ เพื it? It sure. ่อป้องกันความลวงโลกเลี้ยงชีพก็มีเช่นห้ามไม่ให้อวดอุตริมนุสธรรมเพื่อป้องกันความดุร้ายก็มีเช่นห้ามไม่ให้ด่ากันตีกันเป็นต้นเพื่อป้องกันความประพฤติเลวทรามก็มีเช่นห้ามพูดปดห้ามพูดส่อเสียดห้ามเสพสุราเป็นต้นเพื่อป้องกันความประพฤติเสียหายก็มี เช่นห้ามแอบฟังความของเขาเพื่อป้องกันความเล่นซุกซนก็มีเช่นห้ามไม่ให้เล่นจี้กันไม่ให้เล่นน้ำไม่ให้ซ่อนบริขารของกันทรงบัญญัติตามความนิยมของคนอีกครั้งนั้นก็มีเช่นห้ามไม่ให้ขุดดินไม่ให้ฟันต้นไม้ที่เขาถือว่ามีชีวิตทรงบัญญัติโดยเป็นธรรมเนียม ของภิกษุตามความสะดวกบ้างตามนิยมของบรรพชิตบ้างเช่นห้ามมให้ฉันอาหารในเวลาวิการจะฉันของอื่นนอกจากน้ำต้องรับประเขียนก่อนนี้เป็นตัวอย่างแห่งผลที่มุ่งหมายของสิกขาบทนั้นๆอันหนึ่งพึงใครครวรถึงพระบัญญัติที่ทรงตั้งขึ้นแล้ว แต่ยังไม่เหมาะด้วยประการใดประการหนึ่งจึงได้ทรงเพิ่มมนุบัญญัติดัดแปลงซึ่งกล่าวแล้วในหนหลังว่ายังให้สาเร็จผลมุ่งหมายเดิมหรือกลายเป็นอื่นไปแล้วแต่ยังจะต้องถือไปตามธรรมเนียมของภิกษุอันหนึง่งพึงใส่ใจถึงพระบัญญัติปรารบเฉพาะการประเทศอันเป็นไปในสมัยนั้น รั้นการล่วงมานานและนำมาใช้ในประเทศอื่นเป็นไปไม่สะดวกไม่มีใครจะแก้ไขได้ภิกษุทั้งหลายในประเทศนั้นในการนั้นจึงหันหาทางหลีกเลี่ยงประพฤติบ้างเลิกเสียทีเดียวบ้างเมื่อใกล้ครวญเห็นเช่นนี้แล้วพึงนำความประพฤติไปให้สำเร็จผลที่มุ่งหมายของพระวินัยและให้สำเร็จอานิสงคือได้ความชื่นบานว่า ได้ประพฤติดีงามไม่ต้องได้ความเดือดร้อนเพราะเหตุประพฤติสะเพราหรือประพฤติไม่ถูกทางและไม่เกิดมานะความถือตัวและดูหมิ่นผู้อื่นควรมีเมตตาอารีแนะนำเพื่อนสหธรรมิกที่ยังประพฤติบกพร่องให้ประพฤติบริบูรณ